มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตวมวักทุกรปัญหาที่ส9ถามว่าการปุจชาวิสันาเป็นการยากสมควรแก่เวลาแล้วมิเชื่อหรืออาทโคนาคาเสนโนฝ่ายพระน า, าเกษตจริงถวายพระพรมหาราชะ ดูกระบอพิทพระราชสมภารบอพิทจงทราบ พ, พระไทยเถิดแต่บอพิททรงถามซึ่งอัฏฐปัญหามานี้เวลาก็สมควรแล้วส่วนสมเด็จพระเจ้าวิลินผู้เป็นกษัตริย์จึงตรัสว่าอามะเออโยมนี้รู้ว่าล่วงเวลาเข้ามัดชิมยามคนทั้งหลายตามประทีบไว้สว่างอยู่ในการบัดนี้ครั้งนั้นเจ้าพนัก ง, งานก็นำซึ่งผ้าสีพับสาหรับพระมหาษัตราธิราช จะผูชาทำถวายพระน้าเกษนั้นมาจัดแจงตเตรียมไว้ฝ่ายว่าโยนกข่าหลวงทั้งปวงก็กราบทูลพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าขอพระเจาทานพระภิกษุนี้สมควรที่จะถามปัญหาปันดิโตท่านมีปัญญาเป็นแท้แล้วสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงตรัสว่าอามะพเนเอเ อ, อดูการะพระนายทั้งหลาย พระภิกษุองค์นี้มีปัญญาแม้ว่าผู้ใดซ่องเสพอาจารย์อันมีปรีชาญาณเห็นปานดังภิกษุนี้ผู้นั้นอาจสามารถที่จะรู้ธรรมวิเศษเร็วพลันไม่ช้าไม่นานเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสสรรเสริญดังนั้นแล้วก็มีน้ำพระทัยผ่องแผ้วในปัญหาพยากรของพระนาคเษน จึงบริจ า, าคผ้ากำพลมราคาแสนหนึ่งถวายพระนาคเสนแล้วมีพระราชโอ่งการตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปโยมจะถวายพระตาหารร้อยแปดภาคสำรับแก่พระผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่าโยมอนุญาตประวรณาเป็นกับปิยาการกไว้แม้นพระผู้เป็นเจ้า จะปรารถนาซึ่งวัตถุอันมีในพระราชเคหาของโยมโยมจะถวายให้ในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่าบ่อพิษพระราชสมภารอัตมาภาพนี้เลี้ยงชีวิตพอสมควรอยู่แล้วพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์จึงตรัสว่าโยมทราบแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าเลี้ยงชีวิตพอสมควรแต่ทว่า นิมนต์รักษาไว้ซึ่งตัวของพระผู้เป็นเจ้ากับทั้งโยมนี้พระน้าเกษณจึงมีเทระวาจาถามว่าซึ่งมหาบพิตรัสว่าให้อัตมารักษาไว้ซึ่งตัวอัตมานี้อย่างไรประการหนึ่งให้รักษาตัวมหาบพิตรไว้ด้วยนั้นจะให้รักษาประการใดพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคาประรับประวาด จะล่วงเข้ามาครหาว่าพระน้าเกษมมีปัญญาฉลาดอาจสามารถที่จะให้พระยามิลินยินดีแลแต่ทว่าเสียทีกระทําหาได้ลาบสการะไม่เหตุดังนี้โยมจึงว่าให้รักษาซึ่งตัวของพระผู้เป็นเจ้าไว้ประการหนึ่งให้รักษาซึ่งตัวโยมนี้เล่าด้วยคําคนจะล่วงเข้ามาว่า สมเด็จพระเจ้ามิลินยินดีเลื่อมใสในปัญหาพยากรองค์พระนาคเษดแล้วหาถวายทยฐทานไม่เหตุชะนี้จงได้โปรดรับซึ่งนิตยพัฒรับซึ่งคําประวารณาของโยมก่อนนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษดถวายพระผรว่ามหาราชดูกระระบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าการะนั้น ก็ตามพระราชอัธยาศัยของบัวพิษพระราชสมภารฝ่ายพระเจ้ามิลินจึงมีพระราช อ, องค์การตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญสีโหอันว่าพระยาศรีหราชเป็นเจ้าแห่งมฤคชาาิถึงมาดแม้ว่าจะอยู่ในกรงทองย่อมจะมีหน้ามองออกไปนอกกรงมีความปรารถนาที่จะออกไปข้างภายนอกยะถา ฉันใดได้แก่ตัวของโยมนี้อยู่ภายในเรือนทองก็จริงอยู่แลแต่ถ้าว่าปรารถนาจะไปภายนอกเหมือนหนึ่งพระยามรึขคราชนั้นครันโยมจะละราชนิเวศไปทรงบรรพชาเพศเล่าข้าศึกนั้นก็จะติดตามข้าตีชีวิตโยมก็ไม่ได้ตั้งอยู่เจรังการนานไปเหตุฉนี้โยมจริงไม่บรรพชาแต่ใจของโยมนี้ ปรารถนาจะใครบ่บรรพชาอธโคนาคเสโนฝ่ายพระนาคาเษนก็ถวายพระพรลาลุกจากอาจลีลาดไปสู่สังคารามอันเป็นที่อยู่ของอัตมาในการนั้นเมื่อพระนาคาเษนคมนาการไปแล้วสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีก็มาดำริในพระทัยว่าวันนี้อัตมาถามอัธปัญหาแก่พระนาคาเษน เป็นปัญหาเท่านี้ส่วนพระนาคเษนเล่าพระผู้เป็นเจ้าก็ดำริว่าวันนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีตรัสถามปัญหาแก่อัตมาเป็นปัญหาเท่านี้อัตมาได้วิสัชนาเท่านี้ตกว่าพระนาคเษนกับพระยามิลินถ้อยทีถ้อยจําไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัสารัติยาอจเจเนปะนะ ครั้นแสงทองอรุณรุ่งร่างสว่างฟ้าฝ่ายพระนาคเษนก็นุ่งสบงทรงจีวรพระกรจับบาทแล้วลีลาดเข้าสู่รา ช, ชนิเวศครั้นถึงพระผู้เป็นเจ้าจึงนั่งเหนือปัญญัตตาอาจอันตกแต่งตั้งไว้ส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ก็กระทำปรนิบัติให้ฉันจังหันสำเร็จแล้วพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ ก็เข้าไปสู่สำนักพระนาคเษนถวายนมัมกาแล้วจึงกลัดว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพูดเจริญแต่โยมมารำพึงถึงอัตถปัญหาที่ถามพระผู้เป็นเจ้านั้นโสมนัสสปัตโตให้บังเกิดโสมนัสจินดีปรีดานี้นักหนาโยมมิได้อย่างลงสู่นิทรารมสิ้นราตรีอย่างรุ่งรำพึงไปว่า ได้ถามอัธปัญหาเท่านี้พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอย่างนั้นอย่างนั้นโยมก็จำได้สิน้นส่วนพระนาคเสกนก็ถวายพระพรแก่สมเด็จพระเจ้ามิลินว่ามหาราชดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารอัตมาเล่าก็เหมือนกันคืนนี้กลับไปสู่อารามคิดถึงปัญหาที่บ่อพิษถามมีความยินดีรู้ว่า ปัญหาที่บอพิษถามเท่านี้ยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งโสมนัสปรีดาเตอุโพปันฑิตาฝ่ายว่านักปราชทั้งสองถ้อยทีถ้อยมีความโสมนัสปรีดาถ้อยทีถ้อยมีสุนทรกถาเจรจาแก่กันไปมาในการนั้นทุกกะระปัญหาที่สิบเก้าในสัตตมวัคจบเท่านี้ จบปูชาวิสัชนามิลินทปัญหาในมิลินทปัญหานี้มีร้อยแปดปัญหาตรวจดูตามปัญหามีเพียงแปดสิบเก้าเท่านั้นพระอาจารย์เจ้ากล่าวยกขึ้นพรนานาไว้ในลังกาทวีปจบสัตตมวัก